ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกระถินนะพวกเราก็คงจะคุ้นเคยกับเทศกาลนี้ดนะีหนึ่งเดือนหลังจากอกบรรษานี่นะเป็นหน้ากระถินนะเรียกว่าแทบทุกวัดนะแทบทุกหมู่บ้านในชนบทก็จะ เตรียมตัวนะเพื่อทอดกระถินสมัยก่อนวัดที่จะมีกระถินนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะเท่าไหร่นะบางวัดก็ไม่มีกระถินแต่ปัจจุบันนะต้องเรียกว่าแทบทุกวัดเลยก็ว่าได้รวมทั้งสำนักสงฆ์นะก็มีการอทอดกระถินกันสาหรัชบชาวบ้านแล้วเนี่ย กระถินเนี่ยมันเป็นเป็นงานทั้งงานบุญแล้วก็งานรื่นเริงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากระถินก็จะเป็นรูการที่ผู้คนก็มีความรื่นเริงนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเฉลิมฉลองนะทีะ่พระพิสุสง์ได้จำพรรษาครบสามเดือน รวมทั้งญาติโยมก็มาจําศีลกันทุกศีลคือทุกวันพระหลังจากที่ทําบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมกันมาตลอดทั้งสามเดือนนะเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นก็ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ควรจะเฉลิมฉลองนะอีประการหนึ่งเนี่ย งานกระถินนั่นก็เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันเยอะนะสมัยก่อนนี่ชาวบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะกระถิ่นเนี่ยเพราะว่าต้องทอผ้าเองกันเลยด้วยซ้ำนะมั้นก็ต้องร่วมแรงร่วมใจให้ความรื่นเริมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งหลอลื่นนะให้ชาวบ้านมีความพร้อมพรักสามัคคีกันแล้วก็จะได้มีกําลังนะ มีกำลังใจในการทำงานนะเพราะว่างานใหญ่ๆเนี่ยถ้าหากว่าทำด้วยสีหน้าบึงตึงแล้วเนี่ยก็อาจจะสำเร็จได้ยากหรือไม่ก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเรื่องเรือเข้ามาเป็นตัวเชื่อมประสานนะเพื่อให้งานสำเร็จนะอีกประการหนึงก็คือว่าหลังจากที่ สำรวมนะระวังมานานนะตลอดสามเดือนนะตลอดสามเดือนเนี่ยงานต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะหมายถึงงานงานเฉลิมฉลองงานรื่นเริงนะเนียมไทยในงานแต่งงานก็ไม่ไม่นิยมทำในช่วงข้าบรรษารวมทั้งงานศพซึ่งต้องมีมหาราศพต่างๆก็ก็จะไม่นิยมทำกันในช่วงขา้าวรรษานี่พูดถึงประเพณีไทยแต่เดิมนะแต่พอบรรษาแล้วก็ ก็งานต่างๆนะซึ่งต้องมีความรื่นเรนะิงก็จะเกิดขึ้นนะงานแต่งก็ผุดขึ้นที่นนทนที่นีนะ่งานศพนะที่มีมหาศพก็ตามมาด้วยนะงานบรรจุหัรกระดกเข้าท่าอย่างนี้เป็นต้นเนะพราะนั้นเนี่ยในช่วงเทศกาลกระถิ่งก็เป็นช่วงแห่งความรื่นเริงนะ ที่นี่นี่ก็มีพอประมาณนะวันนี้พรุ่งนี้เมือลือนนี้นี่ก็จะมีพากรถินสามวัดเลยในเครื อ, อพี่น้องนะก็คื อ, ค อ, คอที่วัดปูเขาทองนะวัดป่าสุกโตแล้วก็วัดป่ามหาวัดหรือผู้หลงน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มอีอะไรต่ออะไรที่ต้องทำกันนะก็มีความลื่นเลืองเข้าไปเป็นตัวประสาน แต่ก็อย่างที่เราทราบดีอยู่ น, นแล้วนะว่าช่วงนีนะ้เป็นช่วงของการาไว้ทุกข์นะผู้ษาชาวบ้านคือไว้ทุกข์นะหรือว่าถวายความอาลัยนะที่ในหลวงของเราก็แสดงสวรรดิ์ะครนะคนทั้งประเทศก็ร่วมกันไว้ทุกข์นะไวอะไ้อาลัยมีความเศร้าโศกมีความ อ, นะอาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรื่นเริงนะ ในเทศกาลนี้ก็ต้องอทำพอประมาณนะจะไปลื่นเลืองเต็มที่นี่ก็ไม่สมควรนะมันไม่ใช่ฤดูการนะหรือว่ากาละที่ควรจะทำอย่างนั้นแต่ที่จริงกระถินของที่นี่เนี่ยไม่ว่าที่วัดป่าสุกโตวัดภูเขาทองแล้วก็วัดป่ามาหาวันหรือภูหลวงเนี่ยก็ ความรื่องเรืองก็มีน้อยอยู่แล้วนะไม่เหมือนที่อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้ให้ความใส่ใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเป็นกระถินที่อื่นนี่ก็ต้องมีงานเลี้ยงงานฉลองตั้งแต่คืนก่อนที่จะมีการทอดกระถินนะเรื่องงานรวมกระถินหรือางานโฮมเนี่ย บางทีก็กินเหล้ากันนะกากลายเป็นปัญหากันในวัดต่างๆทั่วประเทศเลยนะไม่ได้กินเหล้านะในหมู่บ้านนะตอนหลังนี่ก็เข้ามากินเหล้ากันในวัดนะจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าเนี่ยถ้าไม่มีการกินเหล้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานบุญนะอันนี้ไปรวมถึงงานองานบวช ด, ด้วยนะงานบวชนี่ต้องมีการกินเหล้ากันนะ ก็ถือว่ามันจะได้รื่นเริงอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าใจไปถึงขั้นว่าถ้าไม่มีกินเหล้าเนี่ยไม่ใช่งานบุญนะอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะไม่มีกินเหล้านะากระถินของที่นี่นะรวมทั้งมหมอระศพนี่ก็ก็ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยก็ว่าได้หลายหลายวัดนะ หลายหมู่บ้านเนี่ยนะก็มีการทอดกรถินนะแล้วก็มีมหมอรสบนะก็ไปจ้างหมอลำมานะบางทีคนที่มาร่วมวงก็กินเหล้าเม า, เามายเสร็จแล้วก็กระทบกระทั่งกันไอ้หนุ่มคนละหมู่บ้านหนุ่มต่างหมู่บ้านเนี่ยคอมเมนกันมามานานแล้วนะพอโอกาสนี้นะมาเจอกันกระทบกระทั่งกัน พูดจาด่าทอกันเพราะความมองไมยก็เลยตีกันก็มีนะถึงตายก็บ่อยนะแต่ว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะในสามวัดนะหรือว่าในสามหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่นะถ้ามาไฟแล้วก็ปาดตาลินทองเนี่ยนะมันไม่มีมานานแล้วนะแต่ว่าก็ถึงแม้ไม่มีหมอศพนะก็ไอ้ความรื่นเริงในเทศกาล กระถินเนี่ยก็ก็ควรจะอยู่ในขอบเขตพอประมาณนะอันนี้ก็พูดรวมๆไปนะแต่ครนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะต้องอต้องทำก็คือนะมันต้องมีงานมีการต่างๆมากมายนะอย่างเช่นที่นี่เนี่ยพรุ่งนี้วันนี้แหละที่จริงก็เตรียมกันมาหลายวันแล้วตั้งแต่หลายวันก่อนนะ มันก็มีงานต่างๆที่ต้องทำต้องเกี่ยวข้องนะเพื่อทำให้งานต่างๆก็เป็นไปได้ดีแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรหรืออยู่ในเทศกาลอย่างไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราละเลยไม่ได้นะก็คือการนะมาดูจิตดูใจของเรานะหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะจะมีเทศกาลอะไรนะจะเป็นงานมงคลงานอาวมงคล ออกพรรษากระถินวันปีใหม่นะสงกรานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกนะซึ่งคนทั่วไปนะชาวบ้านก็ย่อมต้องมีความเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นงานรลื่นเริงหรือเพราะว่ามีกิจการงานที่ต้องทำเพื่อให้งานการในเทศกาลเหล่านี้มันสาเร็จรุ่ง หน้าที่อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือการกลับมาตามรู้ดูกายและใจนะทำงานอะไรก็ตามเนะี่ยมันก็ต้องไม่ทิ้งเรื่องของใจเรานะไม่ใช่ว่าทุ่มทุ่มใจไปกับงานนะจนกระทั่งลืมดูจิตดูใจหรือว่าปล่อยใจไปกับความสนุกสนานรื่นเริง น, นะจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวก็มีเราไม่ควรทาอย่างนั้น หน้าที่ของเราโดยเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยเป็นหน้าที่หลักเป็นหน้าที่ยืนพื้นหลวงพ่อคำ เ, เขียนต้องใช้คำว่าเป็นอาชีพนะอาชีพนี่ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะการดูจิตดูใจของเรานะรักษาใจของเราให้เป็นปกตินะไม่ใช่ว่าเรามาดูจิตดูใจกันในเฉพาะเวลาที่มาเข้าคอร์สนะแต่ว่าพอออกจากคอร์ส ไปเกี่ยวข้องกับงานการเทศกาลต่างๆนะเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปนะตามกระแสตามอารมณ์ของผู้คนนะอันนี้ก็ไม่ควรนะมีงานต้องทำนะจะเป็นงานอะไรก็ตามนะเพื่อช่วยทำให้งานของส่วนรวมมันสำเร็จได้ด้วยดีนะตามประเพณีตามวัฒนธรรมเช่นงานกระทิ้นนะอะ่เราก็ช่วยไป เราก็ไปร่วมนะแต่ว่าเราก็ดูใจของเรานะใครก็จะรื่นเนิศสนุกสนายังไงนะเราก็ไม่ใช่ไปขัดขวางนะไม่ได้ไปขวางโลกแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยใจของเรานะไปกับกระแสะด้วยนะอันนี้ก็รวมถึงความเศร้าโศกเสียใจน ะ, ะความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นเราก็ดูใจของเราไปอย่าปล่อยให้มันครอบงำนะกาหนดจิตใจของเรา จนกทั่ไม่เป็นอันทําอะไรหน้าที่ที่ควรทําก็ไม่ได้ทำนะไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นมีลูกก็ไม่ได้ดูแลลูกนะมะีพ่อแม่ก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยอันนี้ก็ไม่ถูกนะเรามีหน้าที่ก็ต้องทําไปและหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการมาดูใจขงเรารักษาจังแล้เป็นปกติน ะ, ะทิ้งไม่ได้นะ ตอะนั้นเนี่ยจะเป็นงานกระถินจะเป็นเทศกาลอะไรนะเราก็ยังรักษาใจเป็นปกติได้นะส่วนภายนอกเราก็ทาหน้าที่ของเราไปนะก็ร่วมนะไปกับกิจกรรมของส่วนรวมตามวัฒนธรรมประเพณีนะแต่ว่าใจเราก็ยังคงที่นะเป็นปกติอาชานนี้ก็ผู้อัเท่นนีนะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ก็จะมีพระบ้างโยมบ้างแม่ชีไปร่วมงานกระถินที่วัดภูเก่าทองอันนี้ก็ตามอัธยาศัย อิชิตังปฏิตังตุมหังขอยท่าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉาบพรานสาเพภูเรนตุสังกัป้าขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนณระโซโยทธาเหมือนพระจันนในวันเพนมณนิชโชทิระโซยทธาเหมือนแก้มณนิอันสว่างสวัยโวรยินดี สัพพิโยภิวัชรตุขานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภาวะวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวัธนาสิลิสนิจางอุฏาปจายิโน จ่าตาโรธรร ม, มาวาทานติอายุวันโนสุขังภลงังสีปาการื อ, อายุวันณาสุขหาภะลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวันตูสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพะเทวตาขภหล่าเทวดา ท, าทาั้งบวญจงรักษาท่าน สาัาพพาุทธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังภานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่นั้นด้เมื่อเดอ